ได้พบความจริงอยู่ประการหนึ่งคือผมเพ่งเรื่องผมเพ่งเรื่อ ง, ง, องอทำไมนะียศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่าต้องมีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะครับลงไปตึกดูไตรตรองดูแล้วก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าทนต่อการเพ่งนะทนต่อการเพ่งแสดงว่า แสดงว่าเป็นสัจธรรมนะเป็นอย่างนั้นที่กล่าวไว้นะพุทธพจน์กล่าวว่าอย่างนั้นเป็นความจริงนะท่านลองคิดดูที่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างไรผมเคยให้การบ้านท่านไปแล้วทำไมศีลจะบริบูรณ์ได้ต่อเมื่ออินทรีสังวรสำเร็จถ้าอินทรีสังวร ยังไม่บริบูรณ์ยังกระพ้องกระแพงก็ยังจเจริญไม่ได้ศีลอื่นๆเช่นศีลห้าศีลแปดนั้นโอกาสจะบริสุทธิ์ยากในทัน้งใครจะมีเหตุผลอะไรบ้างก็กล่าวไว้หลายที่ด้วยนะกล่าวไว้หลายที่ตรงนี้ใครใครใครได้ ใครได้เหตุผลอะไรมั้งไหมครับคุณทารินีมีไหมในอวิชชาสูตรบอกว่าสัมปชัญญะสี่เป็นอาหารของอินทรีย์สองวอเราต้องถอยลงไปที่สัมปชัญญะก่อนละฮะไม่เร็วอ่ะ <c oughs> ไม่เร็วทีเดีย ว, วแล้วอ่างสูตรเสร็จเลยเนี่นะอ่างสูตรเสร็จสับหมดแจ๋วจ๋วลูกศิษย์ท่านแจ๋วเลยครับเอ้าวใครอีกใครอีก พูดเพียงเท่านี้ก็พอจะมองอะไรออกอยู่แล้วใช่ไหมนี่ละการศึกษาพัะไตรปิฎดกดีอย่างเนี้ยนะครับ <c oughs> คือผมมามาตรึกดูนะว่าอ่าถ้าสมมุติว่าเราจะให้ศีลบริสุทธิ์เราก็ต้องจเจริญอินทรียะสังวรศีลดูไหมตัว น, นี้อินทรีย์สังวรอินทรียะอินทรียะสังวรนี่นะครับ ก็จะสำเร็จได้ด้วยสติใช่ไหมครับส ต, ส, รญญนะสติแล้วก็สัมปชัญญะด้วยนะสติแล้วก็สัมปชัญญะอย่างที่คุณทาลินีบอกนะฮะแล้วก็คำว่าสัมปชัญญะเนี่ยจะเข้ามาทำให้เราไม่ใช่ไม่ใช่เจริญง่ายแล้วไม่ใช่สารวมง่ายแล้วเพราะว่าท่านกล่าวไว้ว่าให้ใช้อินทร์อินทร์เนี่ยละอินทร์นึกออกไหมให้อินทร์ห้าเนี่ยละอินทร์เนี่ย อินทรีห้าก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวทําให้สังวรเนี่ยสังวรได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะมีความเข้มแข็งจะเป็นพละได้จะเป็นอินทรีย์ได้เนี่ยไม่ง่ายนะคนไม่มีสติเลยเนี่ยนะขอโทษคนที่ไม่มีศรัทธา มาก่อนหรือว่ามีน้อยเนี่ยนะแล้วจะทําให้มีเร็วๆเนี่ยได้ไหมไม่ได้วิริยะตะก่อนก็ไม่ค่อยมีแล้วจะทําให้มีเร็วๆก็ไม่ไม่ไม่ง่ายนะจนไปถึงกระทั่งแม่กระทั่งปัญญาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีอินทรีย์ห้านี่แล้วนี่นะครับสมบูรณ์แล้วนี่นะครับก็จะสังวรง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมนึกในใจโอ้คาพูดบอกว่าอินทรีย์สังวรนี่เป็น มีการกล่าวที่ง่ายอะ่ะแต่ว่าอยากทํายากนี่ความรู้สึกผมนะนะนี่อันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าอินทรีย์สังวรเราอ่อนนะแล้วก็ศีลห้าศีลแปดหรือว่าศีลอื่นๆจาริตศีลวาลิตศีลของเราเนี่ยนะที่เราปฏิบัติมาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สํารวมระวังไปก่อนเมื่อไปเผชิญกับ สิ่งที่จะต้องก้าวล่วงเนี่ยมันมันมันเป็นบางครั้งมันก็ใหญ่โตใช่ไหมครับแล้วเราไม่ทันตั้งตัวเพราะไม่ทันตั้งตัวก็เพราะว่าสติเราก็อ่อนใช่ไหมพอเจอข้าวสืบข้าวสติก็มาไม่ทันศรัทธาก็ไม่ดีปัญญาก็อ่อนนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกข้าวสืบเอาไปกินอีกใช่ไหมข้าวสืบคือกิเลส ก, ก็ต้องเอาไปกินอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเออจริงฮะถ้าอินทรีย์สังวรอ่อนนะศีลระดับล่างๆเนี่ยมันก้าวล่วงได้ง่าย นะครับผมเลยกามา น, นึกว่าเรื่องอินซีสังวรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้ภูมิคุ้มกันแก่เรานะเมื่อเราไปเจอเชื้อโรคหราไปเจออะไรเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีอะไรคุ้มกันไปก่อนนะเราก็จะติดโรคจะเป็นโรคอย่างนั้นถ้าสมมติถ้าเรามีอินซีเนี่ยนะครับเราคงจะไม่ไปสังวรในขณะที่เผชิญกับสิ่งเหล่านั้นนะ เราคงจะต้องมีตั้งแต่หนึ่งสาธารณสัมพันธ์ญาติอย่างที่คุณทาลินีว่าใช่ไหมเอออะไรควรไปอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูนะอะไรที่จะควรพูดหรือไม่พูดนี่นะครับว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นหยดเราเราเริ่มทัตรงนี้เลยเนี่ยนะโอ้เบาไปเยอะแล้วนะหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้ไทยรัฐเนี่ยโอ้โหลบนี้ไม่ควรดูเนี่ยนะมาลูปนี้ระคะถ้าดูแล้วไม่ดีนะ ถ้าเราไม่มีสังวรไปก่อนนะแล้วเราไปเผชิญ ด, ดูดูแบบอนุพยัญชนะด้วยนะถามว่าอะไรจะมากั้นได้สติก็ยังอ่อนอยู่อะอะไรจะมากัน้นซึ่งเป็นสุภาพนิมิตไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายแต่ว่าสังวรไม่ง่ายเล ย, ยนี่นี่คือนี่คือประโยชน์จากการการเพ่งตามที่ท่านอาจารย์สมบัติ ทำตามอย่างท่าอาจารย์สมบัติว่าไม่ทราบว่าท่านจะมีความเห็นยังไงบ้างครับนันก็ก็ความในคุตกานิกายอิติวุติกะนัทุกการในบาตปฐมพิคุสูกุกล่าววา่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความขับแค้นมีความเล่าร้อนในปัจจุบั น, น, นเมื่อตายไปพึงหวังได้ทุกคติธรรมะสองอย่างเนี่ยสำคัญมากเลยเนาะเ <c oughs> พราะวา่า ถ้าใครก็ตามที่มีธรรมะสองอย่างเนี่ยนะชีวิตที่เป็นอยู่ก็อยู่แบบคนมีมีทุกข์อยู่แบบคนมีความเดือดร้อนอยู่แบบคนคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะชีวิตในชาตินี้ก็ทุกเลือกเกินชีวิตในชาติหน้าก็ทุกขติหวังได้เนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาสนรกก็หวังได้ทำสองประการเป็นไน ธรรมะสองประการเป็นไนคือความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายหนึ่งเนี่ยนะความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี่แลย่อมอยู่เป็นทุกข์เนี่ยนะคือไม่รู้จกักคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหกเนี่ยนะไม่รู้จักประมาณในโภชนะสองอย่างเนี่ยนะย่อมอยู่เป็นทุกข์ มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปพึงหวังได้ทุกคติเห็นไหมนี่คือความสําคัญของของการสํารวมอินทรีย์ถ้าหากว่าไม่สํารวมแล้วก็ชีวิตในปัจจุบันก็ก็ทุกข์ด้วยเห็นไหมไม่ทุกข์เฉพาะชาตินี้ชา ต, ต, ติต่อไปก็ยังทุกข์อีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัตคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดไม่คุ้มครองทาวารเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่รู้จักประมาณในโภชนะและไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมถึงความทุกข์คือทุกกายทุกใจภิกษุเช่นนั้นมีกายถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาอยู่มีใจถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาอยู่ ย่อมอยู่เป็นทุกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนไถ้าหากว่าผู้ที่ไม่สัมรวมก็จะเป็นในลักษณะนี้ถ้าปล่อยใจให้เป็นไปกับอากุศลเมื่อตามองเห็นหูได้ยินที่จริงแล้วคําว่าสัมรวมตาเนี่ยนะหมายเอาชวณะที่เกิดขึ้นในขณะที่ตามองเห็นที่จริงตานี้เป็นเป็นกุศลเมื่ออกุศลตาตาเป็นอัพยากระตาเนาะโอ้เก่งมากเลย นะไม่หลงนะนั่นนะตองพนัตานี้เป็นอภยกระตาตานี้เป็นทาวานทาวานเป็นประตูประตูแห่งความคิดน่ะประตูแห่งชาวนะนั่นนะถ้าหากว่าบุคคลมีชวนะที่เป็นกุศลในขณะที่มองเห็นคนนั้นแหละเรียกว่าคนมีอินทรีย์สังวรซึ่ง พื้นฐานของอินทรีย์สังวรเ น, นี่ยนะคนเหล่านั้นจะต้องรู้แยกแยะในอารมณ์ได้ว่าอารมณ์นี้เนี่ยนะถ้าใส่ใจแบบนี้เป็นสุภาพนิมิตถ้าใสา่ใจอย่างนี้เป็นปฏิฆานิมิตถ้าใสา่ใจแบบนี้เป็นอุเบกานิมิตถ้ากุศลจิตจะเกิดเกิดด้วยปัจจัยอะไรนะก็ก็สามารถที่จะวิจัยในอารมณ์นั้นได้ทั้งหมดพื้นฐานของการวิจัยอันนี้เนี่ยนะต้องเป็นนักตรึก ธรรมะค่อนข้างค่อนข้างแรงมากเลยนะหรือว่าตรึกเป็นอัธยาสัยเลยเอาหนึ่งอารมณ์มาตั้งเช่นะไม่คิดเรื่องอื่นอะ่ะแต่คิดเรื่องอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวสติมันตามไม่ทันอย่างเงี้ยเอาหนึ่งอย่างมาตั้งเลยยกตัวอย่างก็ได้นึกถึงหน้าเพื่อนสักคนหนึ่งเนีย่ยนะเออถ้าเป็นโลภะจะเป็นได้ยังไงเนีย่ยนะโดยมีสีเป็นอารมณ์เนีย่ยนะมีสีหน้าแววตากิริยาท่าทางเหล่านี้แหละของเขาอ่ะนะ ถ้าเป็นโลภ้าเป็นยังไงถ้าหากว่าจะเอาละเอียดลึกซึ่งไปอีกโลผ้ดวงที่หนึ่งจะเป็นได้ยังไงดวงที่หนึ่งแล้วล่วงกลางทางกายได้ไหมล่วงทางวาจาได้ไหมแล้วคิดนึกวิจัยต่อไปได้ไหมถ้าเป็นโลผ้าดวงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกโดยที่มีสีนั่นแหละเป็นอารมณปัจจัยเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นถ้าโทสะมูลจิตสองดวงจะเกิดเพราะมีสีนั้นเป็นอารมณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวน ก็โดยโทสะนะโดยกิริยาอาการของโทสะที่ล่วงมาทางกายเมื่อเห็นสีนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะล่วงมาทางวาจาแล้วก็คิดนึกทางใจน ะ, ะสีเป็นอารมณ์เอาจิตและเอาทวารมาตั้งนะแล้วก็ตรึกไปตามนั้นไปเนี่ยนะถ้าโมหะโมหะก็จะออกมาในรูปแบบของวิจิกิจชาเนี่ยนะเอะ๊สงสัยเกี่ยวกับเรื่องคําสอนเอาไปใส่ในนั้นเราสงสัยไหมเนี่ยนะสงสัยในศิกขาไหมเมื่อตามองเห็นสีเป็นต้นเนี่ยนะ เอาวิจิกิิชามาตั้งนะอุทาจาะนี่ปกติอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าหากว่าเลยไปอีกถ้าเป็นมหากุศลเออเป็นทานนักุศุเนี่ยนะเจอคนนี้จะเป็นทานอะไรได้บ้าง เ, าเดี๋ยวเลยไปนิดหนึ่ง เ, เมื่อกี้เนี่ยเราก็ประมวลมาว่ า, าในโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะแต่ละข้อเหล่านั้นล่วงกรรมาบทอะไรได้บ้างในคนคนเดียวนั้นเนี่ยนะ โดยที่ยังมีสีเป็นอารามณปัจจัยเราสามารถล่วงกรรมบทกายกรรมสามล่วงไหมวจีกรรมสี่เราล่วงไหมแล้วก็มโนกรรมอ่ะที่หนักๆเนี่อล่วงไหมถ้าไม่ล่วงอ่ะความอ่อนของอกุศลเนี่ยอกุศ ล, ลจิตกลุ่มรุมหรือเปล่าเมื่อมีสีอ น, นั้นเป็นอารามณปัจจัยทีนี้เอาเรื่องกรรมบทเป็นต้นเนี่ยมาตั้งเสร็จแล้วเอาเรื่องโอคโยคะคันธะ นิวรณะอนุสัยสังโยติกิเลสมามาใส่ในอารมณ์นั่นแหละต่อไปอีกเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกับคนเข้าไปในร้านตัดแว่นนะเปลี่ยนเลนแว่นไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปโดยที่ยังมีมีการดูที่เดิมนั่นแหละเป็นเป็นอารมณ์นะแล้วก็เปลี่ยนธรรมะที่เราเรียนมาเนี่ยนะก็เอามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเรียกว่าเอามาเป็นเหมือนกับแว่นเป็นเหมือนกับกระจกเทียบเคียงพิจารณาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เสร็จแล้วก็ถ้าต่อไปก็เอามาหากุศลจิตมาตั้งกุศลจิตมีสีเป็นอารมณ์สีสีเดิมนั่นแหละเป็นอารมณ์เป็นการให้ทานตามนิยะพระสูตรได้ไหมเกี่ยวข้องกับทานตามนิยะพระวินัยไหมเกี่ยวข้องกับทานตามนิยะแห่งพระอภิธรรมไหมแล้วบุคคลนั้นเป็นปาติบุคเิกทานหรือเป็นสังฆทานต่อไปแล้วก็เอาเรื่องทานมาตั้งถ้าทานมาตั้งเอาศีลมาตั้งอีก กุศลศีลจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะเอากุศลศีลมาตั้งหรือเอาบารมีศีลมาใส่ลงไปก็ได้เอาบุญกิริยาวัตถุศีลมามาเทียบเคียงกับอารมณ์นั้นนะเสร็จแล้วสมถานิมิตต่อไปอีกเนี่ยนะตรึกโดยสมถานิมิตวิปัสสนานิมิตนะแล้วก็ต่อไปเรื่องอริยสัจลงไปในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเราเพื่นฐานเราต้องจําคําสอนแม่นพอสมควร แล้วก็เอาคําสอนเนี่ยนะเป็นหลักมาวินิจฉัยในอารมณ์นั้นๆมากมากขึ้นจนถึงในที่สุดเลยนะสามารถประมวลลงไหมประมวลลงมาได้ไหมสีหรือรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธแล้วก็รูปนิโรธคามนินีปฏิปทาเนี่ยนะมองแล้วจะเห็นความลึกซึ้งว่าโอโ้พระธรรมในเรื่องเดียวเนี่ยพระธรรมแสดงไว้เป็นร้อยชั้นเป็นพันชั้นหรือว่าหาที่สุดไม่ได้นะในในพระธรรมคำสอนเนี่ยนะ อตอนหลังมามาตรึกในลักษณะนี้บอกโอ้โหทำไมพระธรรมคำสอนเนี่ยลึกขนาดนี้นะเมื่อก่อนเรามันตื้นๆอ่ะ น, น, น, นะเออสีพอละมันตื้นแบบเราอ่ะนะ <c oughs> แต่ทีนี้พอมาเอาคําสอนแบบนี้มาตรึกแล้วกําลังนึกแล้วจะไปพูดธรรมะให้ใครฟังเนี่ย น, นะสมมติ ถ, ถ้าถ้าธรรมะเนี่ยมีลําดับแบบเนี้ยแล้วเราจะไปพูดธรรมะให้ใครฟังแล้วเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจสงสัยเราเหนื่อยฟรีเอง เรียนแบบคิดเรียนแบบพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ก็รู้ว่าเออยากจริงๆนะถ้าหากว่าเขาไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะจะเจาะไปหาใจของเขาได้ยังไงเนี่ยเอาเรื่องอะไรมาคุยก่อนมันเป็นเรื่องที่ที่ยากนะตอนเมื่อก่อนเนี่ยบอกเอ๊ะธรรมะไม่เห็นยากอะไรความรู้สึกนะความรู้สึกกับ ค, ความเป็นจริงบางทีคนละอย่างเ น, นทีนี้พอเอาหนักๆเข้าจริงๆเนี่ยเอ๊ะลึกซึ้งจริงๆนะพะธรรมเนี่ยนะ ที่จริงสีเนี่ยนะตัวสีเขาเองเขาก็เป็นทุกข์ษัตริย์เท่านั้นแหละเป็นอัพยากตะธรรมตัวเขาไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปหรอกแต่สีที่สีมีความลึกซึ้งว่าจิตที่ไปรู้สีเนี่ยมีกี่ดวงเนี่ยนะแล้วเจตสิกที่มารู้สีอีกมีกี่ดวงเนี่ยนะเอาเมื่อกี้เอาจิตใช่ไหมแล้วโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งแล้วเอาเจตสิกมาไล่ละถ้าโลภเจตสิกจะเป็นอย่างไร ภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินสีของเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวที่เกิดร่วมกับโลภะโดยที่มีสีอันนั้นแหละเป็นอารมณะปัจจัยนะก็ตรึกไปตามนั้นนะเพ่งเพราะฉะนั้นเห็นว่าเออนี่มันเป็นการงานทาใจค่ะมีมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะคะ ที่ที่ท่านอาจารย์พูดนี้ส่วนมากเราหมายถึงที่ภายในใช่ไหมคะแต่บางครั้งก็มีปัจจัยที่จะทําให้เราพิจารณาลักษณะแบบนี้ที่เกิดกับผู้อื่นด้วยถ้าทํำแสดงทั้งสองอย่างเนี่ยน ะ, ะพิจรารณาถ้าเรารู้เรื่องสีดีแล้วเนี่ยนะสีเป็นขันไหมเป็นนะเป็นขันอะไรเป็นรูปประขันนะถ้ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกทั้งที่หยาบและละเอียด เลวปนิใกล้ไกลนะต้องสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะในความเป็นสีของเขาเนี่ยเอาโดยความเป็นขันมามามาแปะลงไปในในสีอีกครั้งหนึ่งนะกระจายโดยความเป็นขันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาจิตของเราที่ไปรับรู้เนี่ยนะถ้าจิตเนี่ยถ้าพระองค์แสดงในแนวจิตตานุปัสสนาก็คือถ้าจิตมีสีเป็นอารมณ์ใช่ไหมเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเท่ากับพระองค์พูดแล้วจิตแปดดวง เมื่อจ ed, ิตปราศจากราคะก็รู <cond> ้ว่าจิตปราศจากราคะก็คือเท่ากับแสดงอเหตุตุกจิตกับมหากุศลจิตเป็นต้นเมื่อจิตนะมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเท่ากับพูดโทสะมูลจิตสองดวงเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะหมายถึงอเหตุตุกจิตและมหากุศลจิตเป็นต้นเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตทั้ง12ดวงมีโมหะหมดเลย เมื่อจิตปราศจากโมหะได้แก่อหิตุกจิตและกามาวจรจิตที่เหลือนะเมื่อจิตหดหูหดหูกี่ดวงจิตหดหูก็ห้าดวงเนาะเมื่อจิตฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านหรือเมื่อจิตสงสัยเนี่ยนะก็รู้เมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือจิตเป็นกามาวจรหรือจิตเป็นรูปาวจรจิตเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะ จิตเป็นจิตหลุดพ้นหรือจิตที่ไม่หลุดพ้นเนี่ยนะก็ต้องเอาจิตลักษณะนี้มาวิจัยโดยที่สิ่งนั้นแหละเป็นอารมณปัจจัยแล้วพอแค่นั้นหรื อ, อยังยังเนาะพิจารณาเป็นภายในบ้างเออเมื่อเรามีสีเป็นอารมณ์เราคิดยังไงแล้วคนอื่นมีสีเป็นยังไงเขามีสีเป็นอารมณ์แล้วเขาคิดยังไงนั้นพิจารณาเห็นจิตเป็นภายนอกบ้างยกตัวอย่างเช่นนะวิธีสังเกตก็เหมือนกับที่เรามาฟังะนะฟังฟังเสร็จแล้ว เออฟังจบแล้วใครรู้สึกยังไงบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เทียบเคียงกับจิตภายนอกนั่นเองแต่การเจริญวิปัสสนานั้นอะ่ะไม่ใช่เทียบเคียงเป็นเวลามันเทียบเคียงตลอดนั่นแหละนะเทียบเคียงตลอดเป็นการวิจัยใคร่ครวนอย่างจริงๆเลยนะเอาเป็นการเอาเป็นงานว่างั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวทั่วไปที่เขาประพฤติกันนั้นเขาไม่ได้เอาเป็นกรรมฐานแต่ทั้งเราเอาเป็นกรรมฐานเอาเป็นอาชีพเอาเป็นการ ศึกษาเพราะว่าการศึกษาเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัตถุขุกเหมือ น, นั้นเถอะเอาเป็นอาชีพเลยงั้ น, นอะ่ะเรียกว่ากรรมฐานเนาะออถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากมหมยากนะฝึกได้ไหมฝึกได้ครับแต่ยากมากนะผมเชื่อว่ายากมากแล้วการที่เราจะมีอินทรีย์สังวร อ, อย่างรวดเร็วนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแต่ว่า ทำได้ฝึกได้นะนฝึกได้แน่นอนตอนนั้นก่อนคือตอนนี้เห็นแนวทางแล้วว่า<น>เป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้นี่นี่นะก็จิตเราจะเป็นกุศลตลอดเลยจิตเป็นมหากุศลตลอดเลยตลอดเวลาเลยขณะที่เราวิจัย อ, อ, อารมณ์อันเดียวนี่แหละนะไม่ว่าจะสงเคราะห์เป็นใ น, ในเรื่องศีลในเรื่องกรรมบดก็ดีในเรื่องออในเรื่องกุศลก็ดีในเรื่อง สูงๆกันไปเป็นสมถะก็ดีหรือว่าวิปัสสนาก็ดีนีทั้งหมดแลยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการวิจัยแล้วก็จิตจะเป็นมหากุศลทั้งสิ้นเลยใช่ไหมถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องนี้อ่อนนะไม่รู้จะไปปฏิบัติยังไงพอมาบอกไม่ถูกเลยว่าไปทํำยังไงนะถ้าเป็นพระเนนมาด้วยกันนั้นก็ยังจะบอกว่าเออท่านไปเกี่ยวข้องอ่ะนี่มันเป็นอบัตอันนี้นะแล้วก็ตั้งแต่ห ย, ยาบๆขึ้นมาไล่ขึ้นมาก่อนนันนะก็ค่อยฝึกมา แต่ถ้าเป็นคารวาสนี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนไม่รู้จับมือทําให้ดูก็ไม่ได้คุยสํานวนเขาว่ า, างั้นอ่ะนะคือมันต้องมาคุยกันให้เข้าใจอย่างเดียวนะพยายามทําความเข้าใจให้มากที่สุดเนี่ยนะถ้าหากว่าความเข้าใจมากคนนั้นก็จะปฏิบัติมากถ้าเข้าใจระดับภาษารี่บุตรนะห้ามไม่ให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ที่จริงเราบางทีเราก็ผ่านหูไปเฉยๆเราก็นึกว่าเราเข้าใจเพียงพอแล้วที่จริงการตรึกนั้นต้องต้องมากจริงๆนะ ในเรื่องเดียวนั้นเป็นไปได้ควรจะตรึกเป็นร้อยเป็นพันครั้งนั่นแหละไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนเหนไมไม่ใช่ครั้งเดียวต้องฝึกจนจนชำนาญเลยนะเป็นเหมือนกับสาขาอาชีพเลยอ่ะซึ่งความชิดนั้นก็เป็นการสะสมเขาเรียกว่าเป็นพรหมจันท ร, ร์ในพระพุทธศาสนาซึ่งผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาเหล่านี้ดีก็จะมองว่าเออตะบะและพรหมจันท ร, ร์เหล่านี้ ไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระล้างนะบาปอากุศนได้นะบาปอากุศลที่เคยมีแต่ก่อนถ้าหากว่ากุศลธรรมเหล่านี้ชำระมากนะชำระสภาพจิตเรามากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะบริสุทธิ์ในสังสารวัฏได้ถ้าหากว่าไม่เอาตะบะไม่เอาพรหมจรรย์เหล่านี้มาชำระแล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างไรไนะเราก็พยายามมองทุกแง่มุมเอาไว้นะว่าคาสอน คำสอนอย่างนี้เนี่ยมีในโลกไม่นานเนี่ยนะมีไม่นานแล้วชีวิตของเราเนี่ยนะรูปกายในยุคนี้ก็มีอายุไม่ยาวเมื่อไม่ยาวเนี่ยเราเห็นชาวนะก็เกิดเมื่อได้ยินก็มีชาวนะเมื่อนึกคิดก็มีชาวนะเราจะเอาชาวนะของเราไปทําอะไรเนี่ยนะก็เหมือนกับสมมุติว่าเรามีทรัพย์นะเราจะเอาทรัพย์ของเราไปไปทําอะไรเรามีวิบากกรร ม, มชรูปที่เป็นมนุษย์แล้ว เราจะน้อมชีวิตของเราไปทำอะไรนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานในความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นก็ต้องมั่นทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าในโลกนี้อะไรมีโทษไม่มีโทษเนี่ยนะอะไรควรประพฤติไม่ควรประพฤติอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรควรเจริญไม่ควรเจริญอะไรที่ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรที่ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อโทษหลักการเดิมชั้นต้นนี่ต้องต้องแม่นยา เพื่อที่จะได้มองเห็นว่าเออแนวทางคําสอนอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสได้ศึกษาง่ายๆก็แค่ศึกษาให้เข้าใจก็ยังยากจะกล่าวไปยัยถึงการปฏิบัติเนี่ยนะคัมภีร์บางแห่งท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราจึงจะมีความเข้าใจให้เพียงพอแต่ทีนี้ความเข้าใจเพียงพอนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยตั้งปัจจัยภายนอกก็คือกาลยานามิตรปัจจัยภายในก็คือ โยนิโสมมนสิกานเพราะนันปัจจัยสองอย่างนี้เท่านั้นเะนั้นกาลยานามิตรดีจริงแต่ว่าก็จะอยู่กับเราไม่นานนะพระองค์จึงสอนว่าตนนั่นแหลเป็นที่พึ่งของตนเหมนนะตัวของเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราจริงๆริงพอในชั้นสูงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ก็เป็นแต่เพียงคนชี้ทางเท่านั้นเองเมื่อเขาไม่ไปแล้วพระองค์จะทําอะไรกับเขาได้ใช่ัหมเมื่อเขาไม่ไปพระองค์จะไปทําอะไรบอกว่านี่พานมีอยู่คนชี้ก็มีอยู่ แต่สาวกไม่ปฏิบัติแล้วพระองค์จะไปทําอะไรได้เนี่ยนะคือเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะสอดคล้องกับสูตรอื่นๆที่กล่าวไว้มากมายคือเรื่องโยนิโสโวมานสิการที่ท่านบอกว่าเรามีอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวเนี่ยและเราสามารถตึกไปวิจัยไปมากมายสารพัดเลยเนี่ยลึกไปลึกไปนี่นะครับนี่เป็นเรื่องขณะที่วิจัยขณะที่ตึกนั้นเป็นเรื่องของโยนิโสโวมานสิการ ในในตรงนี้เนี่ยนะ <S <S ถ้าตามความเข้าใจของอาตมาเองเนี่ยถ้าถ้าลักษณะนี้ยังไม่เรียกว่าปฏิบัติอะไรเลยนะในความรู้สึกส่วนตัวเลยเพียงแต่ว่าทําความเข้าใจเฉยเฉยอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองเนี่ยนะเรายังไม่ได้เป็นการเป็นงานอะไรมากนักหรอกอย่างมากก็เรียกว่าเป็นกุศลศีล น, นะการตรึกแบบนี้เนี่ยนะเป็นเป็นกุศลชั้นศีลเท่านั้นเองไม่ใช่สมถะด้วยเพราะยังไม่เข้าขั้นเลยสมถะเพียงแต่ ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก่อนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าถ้าเราจะปฏิบัติบอกว่าเออเสียงเออนี่ได้ยินถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาว่าจับเป็นแค่แค่สังวรได้ไหมครับเออต้องอต้องว่ า, <อ>าที่พ<ๆ>ูดเนี่ยเข้าสูตรไหนบ้างนะเราต้องต้องเอาสูตรเรามาตั้งก่อนสมมติว่าเออเนี่ยเสียงดังๆเนี่ยมันเข้าสูตรไหนบ้างใช่ไหมเอาผ้าพาฮิยะสูตรว่า ง, งั้นเถอะสักแต่ว่าเสียงใช่ไหม แต่พระพุทธพจน์บอกว่าก่อนว่าดูก่อนพาหิยะเธอพึงทำศึกษาว่าได้ยินศักดิ์ได้ว่าได้ยินนะศึกษาก่อนนะอธิศีลสิกขาเป็นยังไงเมื่อได้ฟังเสียงอธิจิตสิกขาเป็นยังไงเมื่อได้ฟังเสียงอธิปัญญาสิกขาเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อฟังเสียงเราก็เอาสูตรต่างๆมาจับนะถ้าบอกว่าเออดังๆเฉยๆสภาพเสียงเฉยๆเราก็นึกไม่ออกว่าจะเข้าสูตรไหนบ้างนะถ้าไม่ต่อด้วยคําสอนอื่นๆต่อไปอีกนะเพราะว่า ตามที่อ่านหนังสือชาวโลกและหนังสือที่ฝรั่งเขียนเป็นต้นเนี่ยนะเราไปอ่านดูแล้วเขาไม่ไหนโง่เลยนะอย่างอย่างอตอนตอนหลังมาอ่านหนังสือของดรนโปเลียนฮินน่ะแต่เขาไม่ไหนโง่เลยนะเรื่องทวารหกเรื่องอะไรเขาพูดเขาเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะทั้งๆั้งนี่เขาก็ไม่ได้นับถือว่าพุทธศาสนาอะไรเลยนะเรื่องเสียงแล้วเขาสามารถพูดด้วยว่าเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาพูดเป็นอย่างดีเลยนะ ถ้าของเราฟังเออเสียงดังๆเฉยๆเนี่ยนะเราเร า, เาผู้าศาสนาของเราเนี่ยนะเดียวดีอะไรเลยนนะในความรู้สึกว่าเห็นมีความอัตจย์อะไรเลยเสียงกับที่เขามาเทียบดูนะฮะเสียงมันต่างกับได้ยินไงครับเอเสียงกับได้ยินมันต่างกันน่ะอย่างนี้เนี่ยเป็นขั้นไหนครับแล้วมีกล่าวไว้ไหมในคัมภีร์แต่ผมไม่เคยเห็นเลยนะที่พระองค์จะให้เห็นว่าเออนี่เสียง เออนี่รูปต่างกับน้ำเนี่ยพราะองค์ไม่ได้ไม่เคยเห็นกล่าวไว้ที่ไหนเลยนะเพราะมันก็ต่างกัมันอยู่แล้วอย่างนั้นน่ะไม่เห็นบอกไว้ที่ไหนทั้สูตรเลยก็ตรงนี้ก็ของใครกับของใครแล้วคิดเอาใครมีอะไรเป็นตาระก็อันนั้นแหละเอาไปสัตว์ทั้งหลายมาด้วยนะเราเนี่ยบอกตรงนี้นะเอเราทําปั้นหน้าโถกแต่ละคนให้เหมือนกันได้ไหมไม่ได้นะใจเนี่ยหนักก็ได้ ถ้าหากว่าเราไม่ไม่หนักแน่นในสาระแล้วเนี่ยลําบากมากเลยนะเพราะว่าทฤษฎีบางอย่างไม่ควรต่อการเพ่งเนี่ยนะถ้าทฤษฎีอ น, นันต์เนี่ยไม่ไม่ถูกกับคําสอนนะเรายิ่งตรึกยิ่งยิ่งนึกไม่ออกเลยว่าจะเข้ากับสูตรไหนบ้างอ่าแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆจําได้เลยตั้งแต่เป็นสมานานมาแล้วต้องต้องค่อนข้างโลาะข้อมูลพอสมควรนะแล้วตอนหลังมาใช้วิธีเดียวก็คือ ถ้าฟังธรรมะหรืออะไรก็ช่างหนึ่งคำต้องนึกสูตรให้ได้ก่อนว่าคำนี้อยู่ในสูตรไหนจะได้ไปค้นคว้าต่อไปว่าคำนี้พระษาสดาของเราตรัสมาอย่างไร อ, อ, อาศัยอุทาหรณ์หลายเรื่องในใ น, ในพระไตรปิฎกที่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปบิณฑบาตเสร็จแล้วบางวันเนี่ยเช้านักท่านก็จะเข้าไปในสำนักของปริพาชก อัญญาเดรธีเมื่อเข้าไปในสำนักของปริพาชกอัญญาเดรธีแล้วก็ไปนั่งฟังลทัทธิเขาเขาว่าอย่างไรภิกษุเหล่านี้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ยินดีไม่คัดค้านฟังไว้จำไว้เสร็จแล้วก็เอาไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังว่าข้าพระองค์นี้ไปได้ยินมาอย่างนี้อย่างนี้ธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําพระผู้มีพระภาคจะตรัสว่ายังไงข้าพระองค์ทั้งหลายก็จกักทรงจําไว้ เพราะเขาไม่ไม่กาเองเลยนะเพราะชีวิตของพระภิกษุเหล่านั้นทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าท่านเหล่านั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงๆเนี่ยนะมีคําสอนเป็นสารณะจริงๆเนี่ยนะเรือแล้วมีพระสงฆ์เป็นสารณะจริงๆทีนี้ของเราก็ควรจะเป็นในลักษณะนั้นตอนหลังก็มาก็ตั้งใจว่าพยายามจะทําแบบนั้นคือคือใช้คําว่าพยายามนะเพราะว่าเดิมทีเราไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องฝึกเอาอ ท, ที่ใช้คำว่าฝึกนี้ก็นึกถึงเราอ่านมงคลมามงคลข้ออัตตะสัมมาปณิธิตั้งใจสมทานในสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นยกตัวอย่างเช่นไม่เคยให้ทานแล้วตั้งใจเพื่อที่จะให้ทานแล้วจะให้เป็นประจำด้วยนะตั้งใจลักษณะนี้เป็นอัตตะสัมมาปณิธิ ศียไม่มีก็ตั้งให้มีกุศลศีลขึ้นทีแรกเลยปาทิโมกไม่มีกายกรรมเป็นกายกรรมที่น่ารังเกียจก็เริ่มขัดเก่าขึ้นเนี่ยนะโดยเอาคําสอนเนี่ยเป็นเครื่องฝึกหัดเมื่อก่อนเราใช่วาจาเป็นคนที่ใช้วาจาที่สเพร่าที่สุดว่างั้นนี้ก็เออพระธรรมวินยัยว่าไว้อย่างไรเราควรจะใช่วาจาตามคําสอนอย่างไรอาชีพของเราเมื่อก่อนเอ๊นึกอะไรได้อยากกินอะไรก็กินไปเรื่อยนะธรรมวินยัยว่าไว้อย่างไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจนัก นี้ก็มาสมาทานให้เริ่มจากไม่มีศีลให้มีศีลเมื่อก่อนปล่อยใจให้เป็นไปกับอกุศลมากไม่ค่อยตรึกธรรมะเราก็สมาทานที่จะคิดเป็นธรรมะแท ง, งนี่ะทำยังไงความนึกคิดหนึ่งเรื่องของเราเนี่ยนะโดยที่สงเคราะห์ธรรมะลงมาก่อนฝึกชั้นต้นๆเลยก็คือในหนึ่งเรื่องในหนึ่งเหตุการณ์ที่เรากําลังประสบเจอเจอเนี่ยนะให้ธรรมะว่าไว้ยังไงในเรื่องนี้นี่นะ ก็จะใช้เรียนแบบพระภิกษุสมัยพุทธกาลนั่นแหละเอ้เรื่องนี้ภาษาสดาของเราตรัสไว้อย่างไรเรื่องนี้พระธรรมคำสอนแสดงไว้อย่างไรเราก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เอาควาเอาการกระทําของเราเป็นประมาณเอาคําสอนเป็นประมาณเนี่ยนะถึงเราทําไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่หน้าที่ไปปฏิเสธพระธรรมนะพระธรรมว่ายัางไงก็ว่าอย่างนั้นเราปฏิบัติไม่ได้วันนี้ยังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นมรรคยานเนี่ยนะใครทําได้มั้งของเราเนะย ใครทำได้ของเรามายังทําไม่ได้เลยถามว่าเชื่อไหมเชื่อถามว่าทำตอนนี้ได้ไหมไม่ได้แต่เชื่อว่าถ้าบุคคลศึกษาและปฏิบัติตามนั้นประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะเพราะอาศัยศรัทธาเอื้อมเข้าไปก่อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนในลักษณะนั้นแหละชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสาระนะเริ่มมีสาระคมแล้เราทําได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ เรี่ยวแรงของเราอยู่ที่กําลังคือสติปัญญาเป็นต้นของเรานั่นเองอันสารณะก็เอาไว้กราบเอาไว้ไหวเอาไว้บูชาเอาไว้ทําตามอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปวิจัยเรื่องสารณะเพราะเพราะว่าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือใครใช่ไหมเราไม่ได้ศึกษาแบบหลักลอยเพราะเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือพุทธหมายคว่าไงนะพุทธคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจพุทธามีกี่อย่าง มีสอย่างนะหนสัมมาสามัมพุทธะสองเจกพุทธะสามสาวกพุทธะเนี่ยนะท่านพุทธะเหล่านี้คือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความสำคัญหมายระดับหนึ่งว่าเรากำลังศึกษ า, าศาสนาของผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจเพราะฉะนั้นคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจกับคำสอนของผู้ที่ไม่ตรัสรู้อริยสัจคนละอย่าง พระพุทธเจ้าเนี่ยพู้ตรัสรู้อริยสัจแบบสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจอย่างไรบ้างใช่ไหมท่านตรัสรู้ว่าเออนี้นะธรรมะกลุ่มนี้ควรรู้ยิ่งอริยสัจทั้งสควรรู้ยิ่งทุกขศสตร์ควรควรกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามสมุทัยศาสตร์ควรและนิโรธศาสตร์ควรทําให้แจ้งมรรคสตร์ควรเจริญนะเสร็จแล้วในสัจจะแต่ละอย่างท่านขยายอย่างไรเนี่ยนะ เพราะว่าหนทางเหล่านั้นเพื่อเข้าถึงอริยสัจเราก็เอาลักษณะนี้มานะอย่างอริยสัจบางอย่างเนี่ยนะเราก็ต้องอาศัยศรัทธาอย่างเดียวยกตัวอย่างนี้นิโรธอริยสัจเนี่ยนะอาศัยศรัทธาอย่างเดียวในเบื้องต้นเราก็ต้องมาฝึกเรียนรู้เรื่องทุกขสัจให้มากมก่อนทุกขสัจกับสมุทัยสัจเนี่ยนะเพราะว่าการศึกษาพระธรรมถ้าคนที่เข้าใจสมุทัยสัจเออเออทุกขสัจอ่อน สมุทยศัสตร์ก็จะอ่อนเท่านั้นแหละนะทุกขสัตว์ได้แก่อุปาทานขันห้าในพื้นฐานเลยเนี่ยนะถ้าเอาตามมหาหัตถปโทรปรมาสูตรเนี่ยมาตั้งเลยตามองเห็นเป็นขันห้าได้ยังไงเนะี่ยอะไรคือขันห้าในขณะที่ตามองเห็นเออขันห้าหมดแหละไ อ, อย่างงี้มันง่ายไปเนี่ยนะมันก็ขันห้าหมดแล้วแหละถามว่าพูดอย่างงี้เจ็บทําอะไรจะได้ไปคุยเรื่องอื่นไง แต่ทีนี้เราจะเอาม า, มาเป็นการเป็นงานเลยนะเออมองเห็นและอะไรเป็นขันใช่ไหมเออตากับสีเป็นรูปอาคารทําไมท่านจึงใช้คําว่าขันเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างโดยความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นเห็นไหมแล้วทําให้เกิดวิญญาณขันทําไมท่านจึงเรียกวิญญาณขันเห็นไหมลักษณะของเขาเป็นอย่างไรก็เอาเรื่องนี้มาวิจัยให้ละเอียดแล้วขันแต่ละอย่างเกิดจากสมุทยสัตว์ท่านบอกว่าเกิดจากปัจจัย ปัจจัยอะไรที่ทําให้รูปขันเกิดปัจจัยอะไรที่ทําให้เวทนาขันเกิดสัญญาขันเกิดสังขารขันเกิดและวิญญาณขันเกิดถ้าหากว่าได้ปัจจัยขันเหล่านี้ก็เกิดแล้วที่สุดแห่งขันเหล่านี้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือนิโรธสัต ท, ที่สุดแห่งความเป็นไปของของทั้งสมุทัยและทุกข์อันเนี้ยอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือนิโรธสัตว์ อาทีนี้เมื่อเรารู้เหตุผลสามตัวแล้วนะคือทุก์สมมทัยและนิโรธสามอย่างแล้วก็มาวิจัยต่อไปแล้วข้อปฏิบัติอะไรเพื่อให้เข้าถึงนิโรธว่านั่นแหละคือมัคคสัตนะแล้วมัคคสัตต์ก็มาลําดับแห่งการปฏิบัติลําดับแห่งการปฏิบัตินั้นก็อาศัยอธิศีและสิกขาอธิจิตต์สิกขาและอธิปัญญาสิกขาในที่สุดเราก็สามารถที่จะเข้าถึงความการแทงตลอดอริยสัจได้ นะในชั้นต้นเลยข้อมูลต้อ ง, องชัดเจนก่อนแหละนะถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนเลยเนี่ยออไปหาญาที่กรุงเทพนะถ้าแผนที่ไม่ชัดเจนนะที่อยู่ไม่ชัดเจนเนี่ยไปเลยต่อให้บอกว่าอยู่เขตนี่แหละบางเขนนี่แหละไปหาเรอะบางเขนนั่นแหละผมจำได้ผมศึกษาธรรมะใหม่ๆนะผมที่เลยไปถามว่าทุกทุกขษัตย์เนี่ยทุกมันอะไรกันแน่นะเพราะมันงงจริงๆนะครับ ทุกเนี่ยมันอะไรกันแน่นไม่มีใครตอบเราตอบก็ตอบไปตามทุกก็คือเกิดดับ อ, อะไรอย่างเงี้ยครับตอบทุกก็คือเกิดดับเอ้ยเราเห็นทุกเกิดดับเฮ้อะไรเกิดดับเป็นทุกมันงงจริงๆครับใช่นะไม่มีใครไม่มีใครให้ความกระจ่างเลยนะว่าเอ้ยทุกตัวทุกขมันเนี่ยนะอุปาทานขันห้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวทุกเพราะว่ามันเป็นตัวที่ให้เราเข้าไปยึดเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะเข้าไป ไปติดมันไปเห็นมันเป็นเอ่อเป็นอัตตาเข้าไปในลักษณะที่มันมันเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เราเข้าใจเลยเอออย่างนี้มันเป็นทุกข์จริงคือในความเป็นทุกข์นั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะเราสังเกตดูนะอะไรมั่งที่เป็นชาติพิทุขาเพราะว่าทุกขาริยสัตว์ที่พระองค์ทรงสแสดงนันนะคือชาติพิทุขาชาราพิทุขามารณะพิทุขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนันอุปายาต สังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาแล้วก็ในขันท่าพระองค์ก็สงเคราะห์ลงในกายเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะเพราะนั้ น, ะานการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าผู้ที่เรียนละเอียดมาแล้วจะรู้ว่าน้ำแก้วเดียวเนี่ยนะวินิโพครูแปเท่านั้นเองไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายลึกซึ้งนักหรอกถ้าไม่ไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบในสายอาชีพนะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสายอาชีพเป็นต้นเนี่ยนะเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะักให้คิดเห็นไหม เพราะไม่ได้เป็นอารรมณปัจจัยของมหากุศลชั้นสูงอะไรมากมายอย่างมากเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เออเป็นทานะกุศลนะศีลกุศลก็คร่าวๆจะเอาเป็นสมถะวิปัสนาเลยก็ก็ไม่ละเอียดนะเนี่ยนะแต่พระองค์นี่สงเคราะห์ลงในในกายของเราเนี่ยหนักเนี่ยนะเพื่อให้พิจารณาในในธรรมะในภายในนี่ให้มากๆเพราะฉะนั้นคําว่าทุกขสัตมนี้จึงเน้นที่ที่อุปาทานขันท่า อุปาทานขันห้าก็คือรูปูปาทานขันเวทนปาปาทานขันสัญญูสังขารูวิญญาณูปาทานขันซึ่งเน้นที่ที่ภายในเนี่ยนะเน้นที่ภายในแต่ว่าในภายนอกนั้นก็คื อ, อวินิโพครูปเท่านั้นเองอวินิโพครูปเท่านั้นเองอย่างไรวินิโพครูปเป็นอารมณ์ของจิตได้กี่ดวงเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะวิจัยได้เพราะฉะนั้นการศึกษาก็ควรที่จะมองให้ให้ตลอดสายด้วย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 ดูการพิสูน์ทั้งหลายอาวิชาเป็นหัวหน้าแห่งอากุศลธรรมอฮิริกะอนโนตปะเป็นไปตามเนี่ยนะบริวารของเขาก็คืออฮิริกะอนโนตปะแต่อวิชาเนี่ยนะคือการไม่แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นเป็นประธานบริวารตามมาก็คืออฮิริกะอนโนตปะอฮิริกะก็คือ ไม่ละอายต่อกายทุจริตไม่ละอายต่อวจีทุจริตไม่ละอายต่อบาปอากุศลธรรมอนโนตปะก็คือไม่เกรงกลัวต่อกายทุจริตไม่เกรงกลัวต่อวจีทุจริตไม่เกรงกลัวต่อมโนทุจริตอวิชานี้เป็นประธานนะบริวารเขาก็ติดตามมาอีกดวยการพิสูจนทั้งหลายส่วนวิชาแล เป็นหัวหน้าแห่งการถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมฮีริและโอตปะเป็นไปตามนะวิชานี้เป็นหัวหน้าเป็นประธานเนี่ยนะความรู้เนี่ยเป็นเลิศล่ะงั้นเถอะเป็นเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นความรู้ก็คือวิชาก็ได้แก่ความรู้ความเข้าใจนั่นเองเาั้นสำคัญที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจให้เพียงพอเมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอนะอย่างไรก็ต้องอายช่วอย่างไรก็ต้อง กลัวอกุศลนะผู้ที่มีฮิริโอตปะที่สุดในโลกนี้คือใครพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์มีปัญญามากที่สุดเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงมีฮิริโอตปะมากที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าทุกคติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูล อันความปรารถนาและความโลภ ก, ก่อขึ้นก็เพราะเหตุที่บุคคลเป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่มีฮิริไม่เอื้อเฟือ้อฉะนั้นจึงย่อมประสบบาปต้องไปสู่อบายเพราะบาปนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุสำรอกฉันทะโลภะและอวิชชาได้ให้วิชาบังเกิดขึ้นอยู่พึงละทุกขติทั้งปวงเสียได้อันนี้พระ อ, องค์ก็ประกาศอริยสัจเรียบร้อยแล้ว แต่ในพุทธพจน์จะเห็นว่าทุกคติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้นะแล้วก็ดูสิว่าสัตว์ในอบายเนี่ยนะที่กุฏิเนี่ยมดเนี่ยมากจริงๆเลยห้องน้ําเนี่ยโอ้ยยุงเนี่ยสุดยอดเลยบินยังกระเพื่งเลย่งนั่นแหละคือเนี่ยห้องน้ําข้างหลังนี่ก็เหมือนกันนะที่ที่น้องปลิงด้วยชั้นหนึ่งเลยนะโอ้สุดยอดเลยยุงเนี่ยยังกระเพื่งเลยเพ้าหนึ่งก็บอกว่าโอ้มันบินว่อนเหมือนกับเสียงมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่า เยอะจัดนะในห้องรางวัลเนี่ยเข้าวปเนี่ยหึงหมดเลยอ่ะในร่มตรงไหนเนี่ยโอ้โหเราดูตรงนี้ส ป, ปายะมากต้องเอากรดไปด้วยอันหนึงงนั้นเอากลางมุง้งเอามุงไปกลางเลยนะยุงมันเยอะจริงๆนะถ้ากลางคืนอย่างงี้ยอมถ้าไม่เป่าพัดลมเนี่ยอย่านั่งเลย <c oughs> นั่นแหละเขาที่เขาไปเป็นอย่างงั้นเพราะอาวิชาเป็นมูลนะเพราะเขาไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละเขาจึงได้ไปอยู่ในสภาพแบบนั้น แล้วมดนะปลวกอีกล่ะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยและในโลกหน้านะของเราเนี่ยมาด้วยผลของบุญแลน่นอนแล้วโลกหน้าของเราถ้าเรายังไม่สำรอกอวิชาล่ะเห็นไหมโลกหน้าก็มีอวิชานั่นแหละเป็นเป็นมูลเหล็นไหมแล้วก็ความโลภก็ก่อขึ้นเห็นไหมความโลภเนี่ยฟังดูแล้วโอ้เหมือนกับใหญ่โตแล้วเกินเนี่ยนะก็คือความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละ นะความยินดีในเบญจากามคุณทั้งห้าถ้าหากว่าโลภะเกิดขึ้นอหิริกะ ก, ก, ก็เกิดแล้วนะทำความชั่วทางกายทางวาจาหรือคิดชั่วด้วยใจก็ไม่ไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรเลยนะไม่รู้สึกว่าสูญเสียว่า อ, อ, อริยทรัพย์เนี่ยเสียหายขนาดไหนเคยนั่งสนทนากับเพื่อนท่านหนึ่งนะแหละเออถ้าเราคิดหนึ่งเรื่องเนี่ยน ะ, อ, ะอันนี้เป็นอกุศลใช่หมบอกก็ใช่ สมมติเราเอาหนึ่งหนึ่งตัวอย่างมาคิดเลยคิดแล้วโลภะเกิดถ้าโลภะเกิดแล้วเราเสียหายอะไรบ้างบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะวินยัยปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมะขันนะแต่และธรรมะขันเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นเลยะนะในขณะนั้นเรามีศรัทธาในพระวินัยไหมสักข้อเลยมีไหมในขณะที่โลภะเกิดไม่มีโอ้โหเนี่ยเสียหายทรัพย์ไปขนาดนี้แล้วนะ บอกทีคนิกายมีสามสิสี่สูตรเนี่ยเราโลภะเกิดเนี่ยปฏิบัติตามสูตรไหนบ้างในสาสิบสี่สูตรเนี่ยเสียหายขนาดนี้อีกมัชชิมันนิการร้อยห้าสิบสองสูตรเนี่ยเสียหายยังไงบ้างเมื่อเราคิดอย่างนี้จําสูตรไม่ได้ทักสูตรเลยขณะที่อกุศ ล, ลจิตนั้นเกิดสังยุตตานิกายเจ็ดพันกสูตรออังคูตอีกเก้าพันกสูตรคูตการนิกายสิบห้าคัมภีอภิธรรมปิฎกอีกเจ็ดคัมภีใหญ่ๆมีอะไรเหลือบ้าง ไม่มีเหลือสักอย่างเออคิดเป็นโลภะเป็นทานบารมีมีไหมไม่มีเอาบารมีสิบมาไล่เลยนะทานศีลเนคขมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาไม่เกิดแม้แต่อย่างเดียวต้องสมถะเอาสมถะสี่สิบมาตั้งโอ้สมถะสี่สิบก็ไม่มีวิปัสสนาขันธ์ธาตุอริยตนะสัจจะอินทรีย์ไม่เกิดสักอย่างเลยนะแล้วประโยชน์โลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่มีแล้วมียูสูตรหนึ่งบอกว่า โลภะย่อมยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโลภย่อมไม่รู้สึกคนโลภย่อมไม่รู้อักคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไรที่ถูกความโลภครอบงำมีแต่ความมืดมองไม่เห็นอริยสัจอะไรสักอย่างเนยะมีแต่บาปอกุศลที่บริสุทธิ์เป็นไปในขณะนั้นไม่มีศรัทธาเจตสิกเกิดเจือในนั้นเลยอ่ะนะไม่มีสติเจตสิกเกิดร่วมเลยไม่มีอะฮิริกะอโนตตะปะไม่มี กุศลใดๆเลยนะวีรตีเขาไมเกิดอะไรก็ไม่เกิดสักอย่างเพราะฉะนั้นสูญเสียมากมายมหาศาลนะโอ้เสียหายมากขนาดนี้นะมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงตําหนิโทษภัยของบาปของอกุศลมากมายเหลือเกินนะประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะท้าวสักกะท่านไปพ่ะโลท่านเป็นท้าสักกะพ่ะโลภะก็ไม่ใช่ใช่ไหมมหาพรหมทั้งหลายแหละเกิดพ่ะโลภะอันนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปเจกับพทธเจ้าบรรลุธรรม ถ้าอริยาสาวกท่านตรัสรู้ทำเพราะอากุศลเหล่านี้ก็ไม่ใช่เพราะหูเราสูญขนาดนี้เลยเหรอเมื่อปล่อยให้จิตเป็นไปกับอกุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะสูญเสียอริยทรัพย์เนี่ยนะสูญเสียอริยทรัพย์แต่ว่าเมื่อไหร่ที่จะมองเห็นกุศลจิตเป็นทรัพย์ได้เมื่อนั้นนะเราจะยินดีในพระธรรมอีกมากนะเราโอพระธรรมคำสอนนี่ลึกซึ้งช่วยเราจริงๆเลยแต่ถ้าหากว่าเรามองเห็นว่าเอออกุศลจิตเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกัน แต่ไทยอย่างนี้นะก็เ อ, อ, อีกนานกันรู้สึกในพระไตรปิฎกนี่เพ่งเร็งเรื่องเรื่องกุศลจิตนี่มากมากจริงๆนะอย่างท่านอ่านพระสูตรเมื่ อ, อกี้นี้นะครับเช่นพาเมื่อกี้นี้ก่อนก่อนสูตรนี้นี่นะครับบังเอิญผมก็บังเอิญอ่านสูตรนี้พอดีเลยที่ท่านบอกว่าโยนิโสเมื่อโยนิโสหรือว่าเมื่อเมื่ออินทรีย์สังวร เป็นผู้มีอินทรีย์สังวรแล้วนี่นะครับก็หมายความว่าให้ปฏิบัติลักษณะที่เรียกว่าให้เร่งปฏิบัติให้นอนน้อยที่สุดใชด่ให้นอนน้อยที่สุดนะฮะลักษณะนั้นใช่หมเมื่อมีอินทรีย์สังวรเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยนะก็หมายถึงตัวสติใช่ไหมสตินั้นถ้าเกิดขึ้นสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าอันนี้เป็นซับอันนี้ไม่ใช่ซับ ากายสุจริเตวจีสุจริเตมโนสุจิรตเป็นเป็นซัพ์เป็นอริยซับอักุศลกายทุจริเตวจีทุจริเตมโนทุจิรตเป็นความเสียหายาก็แยกสองแล้วควรปฏิบัติอย่างไรกับอักุสโณธรรมอันนั้นควรปฏิบัติอย่างไรกับกุสโณธรรมอย่างนั้นเนีย่ยนะนั้นคือกิจของสติวินิจฉัยก่อนถ้าสติวินิจฉัยเสร็จสมัมมปทานจะเข้ามาบอกเราปล่อยไม่ได้เนี่ยนะพอองษ์ นะสูตรที่ไฟไหม้บนที่ศักก็จะเข้ามาทันทีเลยนะอย่าปล่อยให้ไฟไหม้บนที่ษันะนะวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอกาลังทาอะไรอยู่นะพ อ, องค์คำสอนประเภทนี้ก็มีเียแล้วก็คำสอนที่ไม่ให้ประมาทเนี่ยนะพระองค์ก็กล่าวถึงทุกโทษภัยต่างๆมามาให้ดูเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่ทรงจำพระสูตรที่ก่อให้เกิดความเพียรนี่มีมากมายอย่างเช่นใน ที่เราเอามาอ่านครั้งก่อนใช่ไหมที่พูดถึงน้ําตามากกว่าน้ําในทะเลมาหาสมุทรเป็นต้นเนี่ยนะกระดูกกองโตกว่าภูเขากลุ่มพ้นทุกข์ไม่ได้ น, นะเพราะถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็สังเวกับวัตถุอีก8ดอย่างเนี่ยนะหรือพิจารณาถึงโลกนี้สับสนวุ่นวายเดือดร้อนโลกนี้พร่องอยู่เป็นน็ตนะไม่รู้จักอิ่มเป็นทาสแห่งตันหาโลกนี้อัญชารานําไปไม่ยั่งยืนเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เอาเรื่องทุกข์โทษภัยต่างๆของกาม การทั้งหลายอธิกูปมาเหมือนร่างกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะก็นึกถึงคำสอนอันนั้นก็จะก่อให้เกิดความเพียรพยายามมากขึ้นก็เพียรพยายามอันนั้นแหละไปกระตุ้นให้สมถะตั้งอยู่ได้เนี่ยนะสมถะก็จะเป็นไปอย่างสืบเนื่องเมื่อสมถะหรือสัมมาส ม, มาธิอันนี้เกิดดีปัญญาก็จะเริ่มวินิจฉัยละอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นความเกิดอะไรเป็นความเสื่อมของขันห้า นะก็จะเริ่มอะไรเป็นปัจจัยให้ขันเกิดอะไรเป็นปัจจัยให้ขันเสื่อมไปทําอย่างไรจึงจะทําที่สุดแห่งวัตถุทุกไดนะ้ปัญญาก็จะวินิจฉัยทัานกุศลธรรมก็จะเป็นไปตามลําดับขั้นตอนทัานในเบื้องต้นเนี่ยนะฝึกคิดเบื้องต้นก็คือถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วเสียหายอย่างไรนะเป็นอกุศลแล้วเสียหายอะไรบ้างต่อไปเนี่ยทีนรโอตปะเราก็จะเกิดมากขึ้นสิ่งที่สูญเสียอย่างหนึ่งก็คือ วันคืนเนี่ยเสียแน่การเวลาเกลืนกินสัตว์ทั้งหลายถ้าเราใจเป็นอกุศลไปวันหนึ่งเราก็บาปไปอีกวันหนึ่งชีวิตเราก็หมดไปอีกวันหนึ่งนะก็เป็นไปในลักษณะนี้ใครตื่นภัยหรือไม่ตื่นภัยตรงนี้แหละก็สุดแท้แต่ว่าอินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนขนาดไหนนะในการปารบเรื่องอินทรีย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกเออสัตว์ตัวนี้เนี่ยอินทรีย์ขนาดนี้นะสมควรจะสอนเรื่องนี้สัตว์ตัวนี้มีอินทรีย์ขนาดนี้แสดงเรื่องนี้แต่ของเรานะ ทำยังไงอ่ะบอกโอ้ช oh, ่วงนี้อินทรีย์อ่อนนอนก่อนอย่างนี้ว่ะแต่อย่างงี้ก็บอกเข้าไม่มีกรอกหม้อก็เอาไว้ก่อนแต่ยางงี้ลำบากแล้วนะที่จริงอ่ะกุสและจิตถ้าไม่เกิดเนี่ยนะสังสารวัตเนี่ยทุกแน่นอนที่จริงยังเน็กๆ ถ, ถึงตัวเราเองเลยว่าถ้ามองชีวิตแค่ชาติหน้าเนี่ยนะไม่ไม้ได้รู้สึกกลัวเท่าไหร่นะว่าชาติหน้าให้พ้นอาบายเนี่ยไม่ไม่รู้สึกหนักใจมากนะ นะโดยโดยส่วนตัวนะความรู้สึกนะความรู้สึกกับความเป็นจริงบางทีคนละอย่างแต่เล่าให้ฟังนะว่าเป็นอย่างนั้นที่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเรานึกว่าออคําสอนช่วยเราได้แต่เนึกว่าชาติหน้าไปแล้วอ่ะหลังจากชาติหน้าไปแล้วจะเป็นยังไงในกำลังนึกนั่นเองถ้าสมมติชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์เอาดีไปแต่เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยไปเรามีใครเป็นพ่ออกีกใช่ไหมมีใครเป็นแม่แล้วพ่อเราแม่เราจะไปส่งไปเรียนโรงเรียนไหนเนี่ย นะไปอยู่ยังไงอีกเนี่ยชีวิตทุกข์แน่แต่ชานี่เห็นเด็กนะรถมาจอดรับเด็กเข้าไปโรงเรียนอนุบาลเวลาไปบินท บ, บาล น, นี่จะเห็นโอ้ของเราเนี่ยนะถ้าไปนั่งเรียนแบบนี้ใหม่อีกเนี่ยเเมื่อไหร่จะได้หันมาอ่านพระไตรปิฎกซักทีเนี่ยนะมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะนี่ทานี่มาเป็นมนุษย์แล้วนะไม่ได้กล่าวถึงอาบายเลยถ้าอาบายด้วยก็หนักกว่าอีก หรือถ้าไปเกิดแถวแถวทวีปอื่นๆนนจะว่าไงเกิดแถวตะวันออกกลางอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นหรือไปเกิดแถวแถวขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เราก็ไปขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนืออกว่าจะได้ศึกษาคาสอนนี่ไม่ใช่ของง่ายนะชีวิตเป็นชีวิตที่ทุกทุกท่านเนี่ยนะแม่นชีวิตที่ค่อนข้างดันทุรังจริงเลยนะเป็นชีวิตที่ตะกุยตะกายมันก่อนที่ผู้การพูดถึงชีวิตที่ตะกุยตะกายเนี่ยเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ว่าชีวิตของศาสตร์ที่เกิดมาในโลกนี้เป็นลักษณะนั้นจริงๆเพราะนั้นโอกาสเหล่านี้จะมีให้รอบสองไหมเนี่ยนะจะมีรอบสองให้เราได้มีบุญพอที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนไหมวันนี้ไปเยี่ยมโยมที่ไม่สบายไหมบอกว่าโหนี่ถ้าเราประขนาดนี้จะทำยังไงเนี่ยนะเจ็ดสิบกว่าแล้วไปป่วยนอนกระแสวกระแสวอยู่นั่นแหละเออเนาะสังเวกบวะถูกก็ได้เลยถ้าไปอยู่ในสภาพนั้นจะไปอ่านพระไตรปิฎกอย่างร คิดธรรมะได้อย่างไรก็บอกว่าเขาก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะหายไหมจะหายไหมเพราะงั้นเนอ่ก็บอกมันหายไม่หายก็ช่างมันจะโยมเึงเพราะงั้นนึกถึงธรรมะมากๆ ก, ก็แล้วกันเอาเจริญพุทธคุณเนี่ยเราจะบอกว่าไม่หายก็กแกลเกียร์แต่เสียใจใช่ไหแล้วเปอร์เซ็นหายมันน้อยเหลือเกินอ่ะเพราะฉะนั้นทํำยังไงใจจะได้เป็นกุศลมากขึ้นถ้าคิดธรรมะมันก็ลืมปวดเอานะถ้าคิดถึงปวดก็ลืมธรรมะโยมจะคิดเอาอะไร บอกธรรมะธรรมะเขาคิดธรรมะเมื่อไรก็ลืมเจ็บทุกทีนั่นแหละก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันปวดทางบ่าทีนี้ปวดบ่านี่มันปวดมากทีนี้มาปวดท้องลืมปวดบ่าเลยก็ว่าปวดท้องมากกว่าเพรเออทําให้เห็นอย่างหนึ่งนะเราฟังนะนึกถึงกายวิญญาณเนี่ยแล้วแต่มนสิการคนขาขาดนะถ้าไม่มนสิการซะอย่างจะไม่รู้สึกเจ็บเลยนนยะทวิปัญจะทุกอย่างเลยนะ ถ้าขาดมานาสิการสัอย่างเขาไม่เกิดเนี่ยนะ่ยนะเขาก็เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราประมาทถ้าไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรโยมก็เล่าว่าไม่ได้นึกถึงธรรมะเลยไม่ได้นึกถึงธรรมะมานานล้ะก็บอกว่าเออนี่นะเราสวดมนต์แปลได้ใช่ไหมบอกว่าใช่ใช่หลังก็สวดมนต์แปลเลยนะทุกรอบสวดแปลไปเรื่อยนะให้จิตมันสงบพอสวดจนสงบแล้วก็เอาธรรมะแต่ละบทมาตรึกนะ อรหังเป็นยังไงสัมมาสัมพุโทโธเป็นยังไงนะ ค, ค่อยคิดไปเสร็จแล้วพอคิดฟุ้งสวดใหม่นะสวดจนใจมันสงบอีกแล้วก็คิดใหม่นะให้สลับไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็นะพอสวดจบแล้วก็นึกถึงว่าเออเราเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาสนาถึงพระธรรมเป็นศาสนาเนี่ยนะให้จิตใจเนี่ยผูกพันกับพระผู้มีพระภาคให้มากๆเสร็จแล้วก็ตั้งใจในเรื่องศีลสำรวจในเรื่องศีลของเราก็สลับกันไปอย่างเนี้ นะถ้าคิดเรื่องนี้ก็ลืมปวดว่างั้นเถอะถ้าคิดถึงปวดก็ลืมธรรมะมันก็วนอยู่อย่างนี้มากๆนะบัตดจำนี้ก่อนผู้การเขาว่าเอจะจัดเทปไปให้นะเนไเพื่อสหายธรรมของผู้การก็เป็นมะเร็งที่กระดูกเพราะฉะนั้นเราก็นึกหน่งแน่ว่า ของเราเนี่ยพ้นหรือยังสภาพแบบนั้นใช่ไหมอวัยวะทุกส่วนเราไม่ได้พ้นจากสภาพแบบนั้นเลยนะ เ, เพราสังเวกวัตถุนเนี่ยนะต้องหมั่นตารบจริงๆเพราะว่าเราจะได้ละความเมาก็บอกว่าเมาเนี่ยเมามี26อย่างนะเคยได้ยินนะเมาในอะไรบ้างเมาในวัยเมาในอายุเมาในยศเมาในตําแหน่งเมาในความเป็นหัวหน้าเจ้าหมูเจ้าคณะในเรื่องทรัพย์สินแก้วแหวเนเงินทองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเมาทั้งหมดเลยนะ เมื่อเจริญมรณานุสติมากๆเข้าก็จะลืมเมางั้นมันจะได้ ส, สั่งสงบ้างสั่งๆแล้วก็จะได้พิจารณาพระธรรมคำสอนต่อไปได้เนี่ยนะ<ม>เพราะว่าตัวอย่างอุทาห์นเนี่ยนะคนที่เป็นใหญ่ยิ่งที่สุดเลยเนี่ยนะใหญ่ระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดับขันปรินิพานทำไมพระอานนท์จึงใช้คำว่าเอวเมสุตังเนี่ยนะ เอกังสมัยยังพะวาทําไมจึงใช้คํานี้ว่าสมัยข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ที่นะยกตัวอย่างนะวัดเชตาวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีที่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งเนี่ยนะเพื่อให้สังเวชใจว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณมากมายเนี่ยนะโดย รู ป, ปกายของพระองค์ล้มีกําลังเท่ากับมนุษย์เนี่ยเป็นแสนแสนโกรธนะกำลังของพระองค์เนี่ยกำลังกายแล้วกําลังคือศรัทธาของพระพุทธเจ้าก็มากกําลังคือปัญญาของพระองค์ก็มากกว่าที่สัตว์จะเทียบเคียงได้ตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยรู ป, ปกายอยู่ไหมนะเพื่อที่จะได้สังเวทใจว่าผู้ที่มีบุญมากขนาดนั้นท่านยังดับขันปรินิพาน พันธะสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายที่มีบุญมากๆท่านดับขันปริณิพานก็เหมือนกับไฟกองโตๆนะก็หมดเชื้อก็มอดดวงอาทิตย์ตอนนี้ก็มืดเลยนะที่จริงไม่น่าหมดเลยนะกลางวันนี่ก็ร้อนจริงๆเลยไม่น่าเย็นเลยนะแต่ก็เย็นไปแล้วรับไปแล้วก็เป็นลักษณะนี้จริงๆชีวิตเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าปัญญาไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นนะถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดอะไรเกิด นะชีวิตของเรานี้สังสารวัตเนี่ยอย่าลืมนะเราไปคนเดียวสิ่งที่เป็นคนเดียวก็คือเรามีเกิดมาเนี่ยเกิดมาคนเดียวหรือจะเกิดร่วมมาแฝดถึงแฝดก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกนะเกิดมาคนเดียวเลยนะแล้วชีวิตเราเจริญเติบโตมาเนี่ยเนะี่ยมันเป็นชีวิตของคนคนเดียวจริงๆนะอย่างมากเราเราเนี่ยไปเล่าปรับความทุกข์ให้ใครคนใดคนหนึ่งฟังแต่ชีวิตมองจริงๆเถอะเป็นชีวิตที่คนเดียวจริงๆเลย ยังจำได้มีอยู่สมัยเด็กๆเขาไปดูหนังกันตอนนั้นอายุห้าขวบหรือหกขวบนี่แหละไปดูหนังกันนะอก็ไปไปห่างจากหมู่บ้านประมาณสักห้าหกกิโลเนี่ยก็ไปกับผู้ใหญ่เขาเขาเห็นเราร้องไปด้วยนะทีนี้พอไปแล้วเนี่ยเขาก็เดินเที่ยวดูโน่นดูนี่เราเนี่ยดูนัน่นไปดูนีนนน่มาเอ๊ะญาติเราหายไปไหนหมดเนี่ยหายาดไม่ได้เลยอะ่ะ คนรู้จักไม่มีสักคนในงานอ่ะคนหลายหลายร้อยเป็นพันเนี่ยนะไม่มีเราอยู่ในนั้นไอไม่มีคนเรารู้จักสักคนเลยเนี่ยนะทํายังไงแล้วคะนี่ร้องลนะเอะร้องไอเขาเคี่ย <c oughs> นะก็ร้องมันบอกว่ามันโูมันเหงาบอกไม่ถูกเลยมันยังจําได้อยู่ทุกวันนี่เลยนะโอ้โหมันมันทุกข์ขนาดนั้นเลยนะนะ่ะนึกเดินตั้งหลายรอบเสร็จแล้วไปเห็นญาติเห็นนะโู้ดีใจมากเลยเจอหน้าแล้ว ดีใจว่าค่อยอุ่นใจหน่อยใช่ไหมไอ้จะเดินทางกลับบ้านเองเนี่ยจําทางมาได้หละแต่ว่าทางเนี่ยมันต้องผ่านป่าผ่านอะไรตั้งเยอะแยะหมู่บ้านผ่านผ่านตั้งหลายหมู่บ้านแล้วมันผ่านป่าอีกมันยังนึกว่ยมันมันเหงาบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกเออในะชีวิตของสัตว์ที่ท่องเที่ยวไปในวัดตะเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นจริงๆสมมติเราไปอยู่ในเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยเราเนี่ยเหมือนคนคนเดียวจริงๆริงเลยนะนะจําได้ตอนนั้นก็อยู่กรุงเทพ เหมือนเราอยู่คนเดียวเลยโลกนี้คนนั้งกรุงเทพนะเหมือนเราอยู่คนเดียวนะมันอบอกไม่ถูกเพรา ะ, ะนั้นชีวิตเป็นลักษณะนั้นนะตอนนี้ที่เรายังยังดูเหมือนกับมีความสุขก็คือเราได้อา ร, รมณะปัจจัยมีคนคุยด้วยหัวเราะไปอะไรไปแต่ถ้าเจอในคนเหล่านั้นเราไม่รู้จักสักคนหนึ่งเนี่ยนะนะหูไม่ไม่สนุกเท่าไหร่นะชีวิตเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่ได้พ้นจากสภาพแบบนั้นถ้าเราไม่ศึกษาคําสอนให้ดีๆเนี่ยนะ โอกาสรอบสองเนี่ยไม่มีแน่ก็เลยทําให้มีกําลังใจที่จะค้นคว้าแล้วก็อ่านพระธรรมคำสอนเพราะว่าที่พื่งสุดท้ายจริงๆของของเราเองจริงๆนั่นะถ้าหากว่าเราเสื่อมจากพระธรรมคําสอนในครั้งนี้นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เราศึกษาพุทธคุณมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าอีกเมื่อไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาอีกสักองค์หนึ่งนะที่ใช้คําว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาบริสุทธิ์ พระองค์นี้เป็นเหมือนดวงตาของโลกที่ทําให้โลกเนี่ยสว่างสวยมองเห็นอริยสัจมองเห็นคําสอนมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วเห็นดําเห็นขาวเห็นอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติแล้วเมื่อไร่เราจะได้พบคําสอนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะมันก็ทําให้เร่งต้องเรบเรล่งเพราะว่าไม่รู้จะรออะไรอีกไม่รู้จะรอใครจะว่าไปใช่ไหมถามว่าเรารอใครเนี่ยทาให้ใครใช่ไหม ต้องศึกษ า, รากรรมมัสกตาให้แม่นๆจริงๆนะว่าเราเป็นของมนะิเราคิดเนี่ยเป็นของเราจริงๆนะเราคิดดีก็เป็นของเรานั่นแหละคิดชั่วกว็เป็นของเรานั่นแหละเนี่ยนะนะหรือว่าเอ๊ะอ น, นัตตาใช่ไหมกรรมที่อ น, นัตตาทำแล้วใครจะไปรับหรือเข้าใจอย่างนี้เองรึเปล่าเขมีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าโมฆะบุรุษบางพวกนี้เข้าใจอย่างนั้นบอกว่าเอ๊ะท่านเอาแล้วนะเพราะว่าธรรมะอะไรอะไรก็เป็นอนัตตาไปหมดเอแล้วกรรมที่อนัตตาทำแล้วใครจะไปรับ ฟังอนัตตาไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าลืมว่าอนัตตาบางอย่างก็เป็นกุศลธรรมมาเป็นกุศลไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขอนัตตาบางอย่างก็เป็นอกุศลมีโทษให้ผลเป็นความทุกขอนัตตาบางอย่างก็เป็นอภพยากตะธรรมเป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันความสืบเนื่องกันนั่นแหละมาสมมติเรียกว่าเป็น นายกนายขอเป็นรูปเป็นนามเป็นชื่อเสียงเรียงนามเป็นไปลักษณะนี้แหละนะที่จริงแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอัตราแต่ความเป็นเหตุเป็นผลละ่ะก็ที่เคยถามว่าพระสมบัติกับเด็กชายสมบัติคนเดียวกันไหมอถ้าคนเดียวกันทำไมไม่เหมือนเดิมอะ่ะอถ้าว่าคนละคนเอ๊ะทำไมเขาเหมือนเดิมไห ต, ต่างกันยังไงนี่แหละสังสารวัตก็เป็นไปในลักษณะนี้จะว่าคนเดียวนะโดยโวหารก็ใช่ จะว่าคนละคนโดยลักษณะก็ใช่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นกรรมเป็นผลของกรรมวิบากก็สืบเนื่องไปในลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นประวัติเนี่ยนะสัจจะมีสใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกษัตริกับสมุทัยศัตร์เป็นประวัตินะเป็นประวัตต์เป็นความเป็นไปนะเป็นประวัตต์แต่อริยมรรคกับนิโรธเป็นนิวัตตนะ คือไม่เป็นไปอะเป็นชีวิตที่ไม่เป็นไปนนถ้าหากว่าเราไม่เข้าถึงอารยมรรคไม่เข้าถึงนิโรธอย่างไรก็ไปไปแน่แล้วจะไปไหนล่ะ น, นตอนนี้เราเป็นมนุษย์ก็นึกถึงบ้านก่อนใช่ไหมหาที่หลับที่นอนแต่สังสารวัตรล่ะที่พึ่งของเราอ่ะ ะ, ท, ะที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีเพคำว่าไงเคยฟังน่เรื่องนี้ในในคาถาธรรมบทไงเรื่องบุตรของนายโคคาศ นายโคคาดเนี่ยเขาเขาเขาชอบทานเนื้อมากนะคาวันไหนเขาไม่ได้ทานเนื้อเนี่ยนะทานเนื้อวัวเนี่ยวันนั้นเขาไม่กินข้าวทะเลาะกับเมียได้แน่นอนนะวันหนึ่งเขาก็ข่าข่าวัวเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เหลือเนื้อเอาไว้ส่วนหนึ่งบอกให้ภรรยาทำกับข้าวตัวก็ไปอาบน้ำทีนี้ในขณะที่ไปไปอาบน้ำเนี่ยนะระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ามี เพื eles, Now, ่อนนี่มีญาติมาเยี่ยมก็เลยหาซื้อเนื้อไปทำกับข้าวเลี้ยงแขกว่างั้นก็ไปที่บ้านเพื่อนไปถึงก็บอกว่าเนื้อเนี่ยมีเหลือขายไหมบอกหมดแล้วเหลือเท่านี้แหละเพื่อนก็อาศัยถือวิสาสะหยิบไปเลยบอกว่างั้นเออช่างมันเถอะก็เลยหยิบไปภรรยาก็บอกว่อย่าเอาไปเลยนะเขาเนี่ยเขาทํำไมมีเนื้อเขาไม่กินข้าวนะว่างั้นก็บอกเออช่างมันเพื่อนนี่ก็ถือวิสาสะก็เอาเนื้อนั่นแหละไปรับแขกไป ทนฝ่ายเจ้าตัวนี่ไปอาบน้ำขึ้นมาจากท่าน้ำก็เตรียมจะไปทานข้าวนั่งล้อมวงเนี่ยมองหาชิ้นเนื้อในนั้นไม่มีสักชิ้นเลยถามภรรยาอ้าวเนื้อไปไหนก็เล่าให้ฟังบอกแกก็โกรธนะถ้าเป็นเราจะทำไงทาไงนะแกเนี่ยก็เลยหันกระข้างฝาเนี่ยดึงมีดออกมาแล้วก็เดินลงบ้านไปเข้าไปในคอกวัว ไปถึงก็เอ๊จะเอาส่วนไหนมากินได้ก็เลยล้วงเข้าไปในปากดึงลิ้นออกมาแล้วก็ตัดฉับนะมั น, ะนะมาถึงก็มาย่างแล้วก็เอามาหั่ น, นแล้วก็เจมทา น, นพอเคี้ยวเข้าไปสองสามกรุบเขานั้นแหละลิ้นตัวเองนี่หลุดมาเลยที่จะทำให้ผลเลยเพราะว่าที่จริงอารทากรรมอย่างอื่นเออฆ่ามามามากแล้วพอขณะที่เคี้ยวเนื้อวัวเนี่ยลิ้นตัวเองนี่หลุดเลยลิ้นหลุดนี่ก็ร้องเหมือนวัวดังนั้นเด้อ เมีย น, นี้ก็กระซิบบอกลูกลูกหนีไปเห็นไหมพ่อยังทำกรรมไว้หนีเหรอลูกก็เลยหนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งนั่นไงนายโคขาดหลังจากนั้นไม่นานก็ไปที่ไหนเนีเวจีเนาะตามสูตรเป็นอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วฝ่ายลูกนี้ก็ตอนหลังก็มามาทําช่างทองแล้วก็เป็นช่างทองไปเลย ม, มาเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างทองทีนี้ก็มีครอบครัวเพราะมีครอบครัวตอนหลังก็มีลูกมีห ล, ลานลูกหลานเนี่ย ฟังธรรมฟังธรรมได้ดีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ได้ดีทีนี้ก็นึกถึงพ่อเอพ่อเรานี่ไม่ได้ทําบุญทําอะไรไว้เลยแก่และนะก็คือลูกของนายโคคาดเนี่ยแก่และนะจนเป็นคุณปู่แล้วนะคุณพ่อแล้วก็เออลูกๆนี่ก็ห่วงนะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันท์ที่บ้านทเรียกว่าชีวะกะพัดทําบุญให้แก่คนเป็นนี่แหละะทําบุญให้พ่อนะเพราะว่าพ่อไม่เคยได้ทําบุญไว้เลย แต่ก็ตอนหลังก็ดีนะประกอบอาชีพช่างทองแต่ว่าแต่ว่าพ่อเนี่ยปู่เนี่ยเป็นนายโคคาดนะเป็นคนข้าวบัวก็เนิ่นก็เออพ่อเราน่าจะทําบุญบ้างก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันนะพอพระ อ, องค์ฉันเสร็จก็เล่าความเป็นไปให้ฟังนะว่าทําบุญให้คุณพ่อเขาเหมงอนันพรพุทธเจ้าก็เรียกว่าง่ายพระเหมือนกันผมก็ตรัสว่านะบัดนี้นะท่านนี่ก็เหมือนกับใบไม้ที่เหลืองๆอ่ะนะี่ ใกล้จะหล่นจะใกล้จะร่วงใกล้จะหล่นและ ว, วันนี้ลมพัดแรงแรงนึกเห็นใบไม้ร่วงไหม <c oughs> เห็นแต่ไมนได้นึกพระเจ้าข่าวว่า ง, งั <c oughs> ้นเขาบอกว่าใบไม้เมื่อเหลืองก็จะร่วงหล่นชันได้ว่า ง, งั้นท่านตอนนี้ก็ใบไม้เหลืองแบบนั้นเนี่นะท่านก็ตอนนี้ก็ใกล้ไปสู่ปากแข่งมัจจุราชแล้วที่พึ่งในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีว่า ง, งั้นคือที่พักในระหว่างทางก็ไม่มีสเบียงทางก็ยังไม่มีว่างั้นเถอะ อายุก็ใกล้เต็มทีแล้วนี่ไม่ได้แช่งนะเราให้ฟังนะพ อ, อง์ก็ตรัสเหมาอนั้น แ, แ, ลแล้วพ อ, องค์ก็นะเพราะจงมีความเพียรจงเป็นบัณฑิตเนี่ยนะหาเกาะหาะที่พึ่งแกก็เจ๋งเหมือนกันนะฟังธรรมตรงนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนะฟังธรรมในในในคาถาธรรมบทนี่นะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันวันหลังนี่มลมาฉันอีกก็แสดงธรรมอีก เป็นพระอนาคามีอะไรตอนหลังโอ้ได้ดีเหมือนกันนะคนมีบุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่พึ่งในระหว่างทางเนี่ยมีมีความสําคัญค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นฐานกุศลศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ที่ที่เป็นเกราะเป็นที่อาศัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันชีวิตของเราทั้งหลายถ้าหากว่าขาดความรู้ขาดความเข้าใจในพระธรรมไม่สแสวงหากุศลธรรมให้กับจิตใจมากๆก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้ว ที่ไม่กลัวตายเนี่ยหายักเวนเวนพระอาหารหันต์เวนพระอนาคามีก็ไม่กลัวตายหรือโคอาชาในเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็ไม่กลัวตายแต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยกลัวตายหมดที่กลัวตายนี่เพราะอะไรเพราะไม่มั่นใจในสัมปรายภพของตัวเองเนี่ยนะเพราะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจากแล้วจะไปเป็นยังไง นึ่ถึงคนที่สุขภาพไม่ดีกระสอบกระแสะก็ยังอยากหายเนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่กดสุดโซมเต็มทีแล้วเดินมามันก็ไม่สมบูรณ์แล้วนะถ้าหายมาก็เดินมาร่องเร่งร่องเร่งร่องเร่งก็สภาพไม่ได้ยินน่า ย, ยินดีนะแต่ก็ยังอยากเป็นอยู่เพราะเขาไม่มั่นใจในที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อไม่มั่นใจเหล่านี้เนี่ยอะไรเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่กำบังให้ให้ไปที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้แล้ว น, นอกจากกุศลธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วย ตัวของเราเองหรือว่าขอให้ลูกทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะเราก็นึกจิตคิดหนึ่งเอ้เรานี่เป็นลูกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณปู่คุณย่าคุณพอ่อคุณแม่ขนาดไหนนั่นแหละหวังได้จากลูกหลานก็เท่ากันนะนะั่นแหละเพราะเหตุอย่างไรก็จะใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหวังอะไรมากนะักอันกุศลธรรมนั่นแหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องเพียรพยายามแล้วก็พอกโูลให้มีขึ้นนะฟังอีกสูตรหนึ่งว่าในปัญญาสูตร พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกอนพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เสื่อมจากปัญญาชื่อว่าเสื่อมสุดสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความขับแค้นมีความเล่าร้อน ในปัจจุบันทีเดียวเมื่อตายไปแล้วพึงหวังได้ทุกคตินะถ้าขาดปัญญาเนี่ยนะขาดวิปัสนาปัญญาเป็นต้นขาดมรรคปัญญาเป็นต้นนี่ก็ชีวิตนี้ขณะที่เป็นอยู่ก็อยู่เป็นทุกข์วังเงินเดือดอร้อนคลับแค้นตายไปก็สุอบายทุคติวินิบาตนรกวังเงินดยความพิสุจน์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เสื่อมจากปัญญาเชื่อว่าไม่เสื่อมสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียวแลเมื่อตายไปเพิ่งหวังได้สุขติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าจงดูโลกพร้อมด้วยเทวโลกผู้ตั้งมั่นลงในนามรูปตั้งมั่นด้วยอนานาจแห่งอะไรตั้งมั่นเนี่ยนะเป็นเชื่อของ ตันหาและทิฏฐินะโลกกับทั้งเทวโลกตั้งมั่นอยู่ด้วยอํานาจของนะตันหาทิฏฐิหรืออุปาทานนั่นเองเพราะความเสื่อมไปจากปัญญานะเพราะเสื่อมจากปัญญานั่นแหละอุปาทานจึงเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆนะเพราะไม่มีกรรมสกตาปัญญาไม่มีวิปัสนาปัญญาอุปาทานก็เกิดแทนเลนะคือยังไงยังไงเห็นเราคิดอยู่แล้วใช่ไหมคิดด้วยจิตดวงไหน ส่วนใหญ่ก็คิดด้วยโลภะแปะถ้าสัตว์นรกนะัคิดด้วยโทสะสองส่วนใหญ่นะแต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานก็คิดด้วยโมหะแต่ถ้ามนุษย์หรือสุขติภูมิก็คิดด้วยโลภะทีนี้พอโลภะเกิดก็เสื่อมจากปัญญาโลกพร้อมด้วยเทวโลกย่อมสำคัญว่านามรูปนี้เป็นของจริงจริงนะรูปนามขันธ์ห้าจริงไหมสุขไหมสุขนะ ถ้าวัานไหนนึกถึงธรรมะก็ไม่สุขถ้าเราคิดเราเองโอ้ดีจริงๆเลยสนุกมากเพลนเลยนะจริงของเราก็คือสุขนั่นเองสุขเที่ยงงามเป็นต้น น, น, ตนั่นแหละเป็นอัปตาอันนั่นแหละคือของเราเนี่ยปัญญาอันให้ถึงความชำรกกิเลสนี้แหลประเสริฐที่สุดในโลกนะในบรรดาสังขารโลกทั้งหมดเลยนะปัญญานี่ประเสริฐที่สุด ในบรรดาสังฆะธรรมสังขารธรรมทั้งหมดเลยนะปัญญาประเสริฐที่สุดนะปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกนั่นะนะเพราะฉะนั้นในเจตสิกทุกดวงเลยนะปัญญาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเครื่องประดับถ้าขาดปัญญาเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับไม่มีรัศมีเหมือนกันเพราะว่าปัญญานี่แหละประเสริฐที่สุดในโลกด้วยว่าปัญญานั้นย่อมรู้ชัดโดยชอบ ซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติและภพถ้าปัญญาระดับโลกุตระปัญญาก็จะรู้ถึงรู้ถึงที่สุดแห่งชาติและภพก็คือที่สุดแห่งทุกนั่นแหละเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติมีปัญญาร่าเริงผู้ทรงไว้ซึ่งสริระอันมีในที่สุดว่า ง, งั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดมีปัญญา สามารถที่จะปฏิบัติทำเข้าถ่าปราบเสัตว์เทวดาและมนุษย์ก็จะยินดีต่อผู้นั้นอย่างน้อยที่สุดเขาบอกว่าผ้าอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาตระกูลใดตระกูลนั้นต้อนรับเชื้อเชิญด้วยอาสนะกราบว่าอันนั้นเป็นเหตุแห่งความอันนั้นเป็นเหตุแห่งการเกิดในตระกูลสูงอันนั้นเมื่อบุคคลได้ให้ทานกับท่านเหล่านั้นนั่นเป็นเหตุแห่งความมั่งมีด้วย พ่อข้าทรัพย์นะเมื่อได้ฟังธรรมจากท่านนั่นเป็นเหตุแห่งการธรรมที่สุดแห่งวัตทุกเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงเป็นเหมือนกับแขกที่ดีที่สุดในบรรดาแขกทั้งหมดที่มาเยี่ยมะนะท่านจึงเป็นอาหูเนโยเป็นปาหูเนโยเป็นผู้ควรที่ควรของต้อนรับเนี่ยนะเป็นผู้ที่ควรเชื่อเชิญเป็นผู้ที่ควรต้อนรับแล้วก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นนาบุญของโลกวันเหามนุษย์และเทวดา ก็ยินดีต่อพระอระหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะขนาดพระองค์ดับขันปริณิพานก็ยังไปกราบสังเวชนียสถานเนี่ยนะมีเครหบดีหลายท่านหรือมีพระราชาบางองค์เนี่ยเมื่อฟังธรรมเข้าใจพระธรรมแล้วนะแล้วก็ถามว่าตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็บอกว่าพระองค์ดับขันปริณิพานแล้วก็เสียใจนะแต่บอกว่าถ้าพระองค์ยังมีพระชนอยู่ถึงร้อยยอดก็จะไปเพราะงั้นน่ยขอขอให้รู้ว่าพระองค์อยู่ ตอนนี้ถ้าพระองค์อยู่เราไปหาไหมไปไหมไปนะไปไหมอาจารย์นินไปไหมไปนะไปถึงเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์อ่านในพระไตรปิฎกนะไปแล้วพระองค์ก็พูดอย่างนี้เลยนะไปหาพระองค์แล้วพระองค์ก็พูดนี่ดูก่อนนิสุทั้างหลายนี้ทุกขาริศัทอย่างเงี้ยไปก็ไปอ่านดูเถอะใครไปหาก็แสดงแบบนี้แหละถ้าเราไปหาก็แสดงแบบนี้ตอนนี้ขอหันหน้าไปหาพระพุทธเจ้ามั่งเนาะ ไปอ่านดูดิเอ๊ะตอนนั้นพระองค์แสดงว่ายังไงบ้างเกือบหมดเวลาแล้วนะไม่ถึงโยดเลยอ่ะนิดเดียวถ้าที่กุเตนะหันหลังก็เปิดตู้ได้เลยอ่ะคุณอ่านมนละเล็กวันละน้อยนะอย่างหมอยุทินเนี่ยอ่านทุกวันไหมครับหมายคาว่ายังไง คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเขาต้องมีอาจารย์ที่ทรงพระไตรปิฎกที่ที่จําพระไตรปิฎกได้นะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเข้าไปปฏิบัติตามนั้นสมควรแก่ทำเขาจึงได้บรรลุมรรคผลเพราะตามที่สังเกตในกีตาคิริสูตรเนี่ยนะก็มีวิธีนั้นวิธีเดียววิธีอื่นไม่มีถ้าเป็นพระสาวกนะเว้นแต่เป็นพระบาจิจแต่ถ้าเป็นพระสาวกอย่างไรก็ต้องฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคถึงฟังที่ไหนก็ตาม แต่ขอให้เป็นของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่จําเป็นต้องแบบฟอร์มอย่างนี้ก็ได้ขอให้เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใดก็ได้เป็นก็ได้ต้องไปตางงเหจยออ่นนี้้ก็ดูว่าใครด้วยนะถ้าเขามีบุญจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหานะถ้าเป็นลูกหลานพระพายะมาเกิดนี่ก็ไม่ยากนะนะถ้าเป็นลูกหลานพระพายะนะแต่ถ้าเป็นลูกหลานพระนอานนท์มาเนี่ยก็ต้องฟังมากนะถ้าเป็นลูกหลานพระนอานนท์ต้องเรียนมาก ถ้าไม่ได้เรียนนี่ก็แย่น่นะน <c> ะ <oughs> เป็นลูกลูกหลานพระราหุล น, นะต้องยินดีในการเรียนแบบนั้นแต่ถ้าเป็นลูกหลานพระพะยะมาเนี่ยนะชาติสุดท้ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้ไม่มีปัญหาเลยนะคนมีบุญนะท่า น, ค น, นคนมีบุญเนี่ยไว้กราบอย่างเดียวว่างั้นท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเนี่ยนะควรกับการเคารพนับถือเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มียางคือกิเลสเบาบางมาก นะท่านจึงฟังทำไม่มากนะักท่านก็สามารถที่จะตรัสรู้ทำได้อย่างมงคลสูตรเนี่ยนะพระองค์ตรัสมงคลสูตรนี่เทวดาบรรลุหาประมาณนี้ได้นับไม่ได้ว่าเท่าไหร่นาะมหาสมัยสูตรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในในพระสูตรเหล่านั้นเนี่ยคนมีบุญจริงๆเนี่ยนะเข้าฟังไม่มากเขาก็สามารถตรัสรู้ทำได้แต่แต่เทนีนมาหันของอามานะขนาดอ่านอยู่ขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ต้องบรรลุหรอกให้จําได้ให้เข้าใจสัก ทุกบรรทัดเนี่ยนะเข้าใจเลยนี่พอใจแล้วนะยังไม่ต้องบรรลุแลอวขนาดเข้าใจยังยากเลยจะ ก, กล่าวไปใาย่ถึงการบรรลุเหมือนันันนี้ก็ยังแซ่กับพวกกันเลยเลยอันนี้ตอนไต่ฉันเพลงบอกว่าพว ก, การบรรลุอะไรบรรลุยังไงขนาดเราทางเรายังรู้เลยใช่ไหเราจะไปไหนศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุยังไง บัลลุยังไงนะเนี่ยไปทำงานบ้านเนี่ย